เอ่อบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้ง และขอท่านทั้งหลาย มี 15 15 ข้อ 4 ข้อคือ 4 นบประการที่ 2 ขอบรรดาท่านทั้งหลายจง อย่าระงับนิรวนอย่าให้ นี่เป็นบทโฆษข้อที่เตือน <c oughs> <c oughs> วินัยทุก 15 1 คำว่านี้ยติ 2 1 2 ต่อ 2 3 อย่าง 1 1 1 อย่างใดให้ปรับอย่างนั้นใดให้ปรับอย่างนั้นหรือว่าเขาว่า <c oughs> <c oughs> อย่าคุยกันว่ายังไงจะ ในเรื่องของปราชิกหรือว่าเสียง ตั้งแต่บุคคลผู้ส่งความดี จึงจะทําเลยนี้สําหรับสีขาบท นี่ก็แต่ว่าเวลาคุยกันคนอื่นไม่ได้ยินเดียวกันคําว่า ธรรมะกันถึงอําบัติ เรื่องนี้ของมัณฑนาเพื่อนภิกษุสามเณรทุกท่านโพธมัตตวัง 15 อธิบัติ 4 เราๆ2 3 1, 100 ปีถ้า 5 6 ราย ต่อไปนี้ก็จะกล่าวถึง 30 3 1 1 10 10 คำว่าติเลกะจิวรก็หมายถึงความว่าจิวรเกินจากภาตรัย ถ้าเกินมาอย่างนี้ท่านให้ธรรมบินทุ ท่านกล่าวว่าภิกษุอยู่ปราศจาก แต่การไม่เคารพในพระธรรมวินัย อยู่ห่างไม่เกิน 1 ศอกถ้าอยู่ อยู่ในเขตของเราอย่างๆ ศีลประสงค์จะทําจีวรแต่ก็ อันนี้หมายถึงสมัยโบราณท่านต้อง เวลานี้ไม่จําเป็นแล้วสิกขาบทที่ ถ้าไม่ควรใช้นามิสุณีก็เลย 5 เมื่อไม่แต่แรกเปลี่ยนกันต้อง จริงจะมายัตติกรรมในสำนัก กอ 6 ภิกษุขอจีวรต่อครุหัตผู้ คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายโทษ ยานี้มันเป็นการทำลายศรัทธาของบรรดาใน ไม่จะเป็นสบงก็ตามเป็นจีวรก็ตามจะเป็น คือผ้ามันถูกขโมยๆหรือๆแล้วจะไปขอจุกจิก ระประเภทอยากอยากนี่ก็เห็นๆหมอ ขอผ้าเข้าใหม่ให้เนื้อละเอียดกว่านี้พลาดเข้าใหม่เห็นเนื้อ 7 ถ้าขอให้เกินไปกว่านั้น ี้สู่นั้นทราบความแล้วความ ข้ออะไรผู้ว่าไม่ควร เวลาเราจะครองจีวร ภาพแบบไหนก็ได้แบบไหนก็ได้อย่าไปทําให้ สมณเถรีสิกขมานาสมณเณรโคนั่นแหละพระนี่เราลง ให้ซื้อจิวเวรที่แพงกว่าดี ก็ลงอเวจีมหานรกสิกขาบทชัดอยู่ ว่าพุ่นนี้เป็นวัยาวัจกรของ เราต้องการจีวรอย่างนี้สามครั้งต้องการจีวรอย่างนี้ 3 ครั้งถ้า คนนั้นไม่ท่านบอกไว้ชัดหมดไม่สําเร็จประโยชน์ๆ เวลาที่จริงๆ3 ครั้ง 6 ครั้งๆเขาก็ให้แล้วก็ผมไม่ทวงเลยแล้วถ้าคร 3 ครั้ง 6 ครั้ง ถ้าแค่ทวงถึง 3 ครั้งเค้ายังไม่ <c oughs> เขาบอกว่า 2 4 นาทีได้กี่สิกขาบทก็ 1 เอาขนเจียมเจือด้วยไหมนี่โทษอะไรกัน สามภิสุลหล่อสันธัดใหม่พึงใช้ขนเตรียม 1 ส่วนส่วน เครื่องใช้ได้ใช้ได้ 6 ปีถ้า ว่าการที่เราจะทําอะไรกันขึ้นมา ว่าการที่จะขอจะเขือ ถึงกับๆ ให้จิตใจท่านสมองตายแล้วไปอเวจี อย่าทำจิต